เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องพระสุนทรผู้รับสังฆทานเล่ากันมาว่าสมัยหนึ่งท่านสุนทรผู้ รัตนกวีเอกของไทยได้หนีราชภัยหลบไปบวชเป็นพระอยู่บ้านนอกตอนเช้าท่านออกบินทบาททางเรือโยมคนหนึ่งจอดเรืออยู่ริมตลิ่งได้นิมนต์ท่านเข้าไปรับสังฆทานและขอให้ท่านนำถวายด้วยท่านจำคำถวายไม่ได้แต่ด้วยวิสัยนักกรร ท่านจึงให้ยมตั้งนโมสามจบแล้วท่านก็นำถวายว่าอิมัตสมิงมริมฟังตาของท่านก็จำเลืองไปในถาดอาหารแล้ววา่าอิมังปลารากุ้งแห้งแตงกวาอีกปลาดุกย่างช่อมะกอกดอกมะปรางเนื้อย่างยำมะดันข้าวสุกค่อนขันน้ำมันขวดหนึ่งน้ำผึ้งครึ่งโถ ส้มโอแช่อิม่มทับทิมสองผลเป็นยอดกุศลสังขัดสะเทมนี้โยมสาธุชื่นใจท่านผู้ใดจะนำไปดัดแปลงใช้ปางก็ได้คิดว่าท่านพระสุนทรผู้คงไม่สงวนลิขสิทธิ์